ขออน้อมต น, รรนาใจขอกราบพระอาจารย์สงปู่กลมพระอาจารย์ทรงศินพระอาจารย์พัฒนาชัยแล้วก็ขอโอกาสมูสงเดยรพอนแม่ชีแล้วก็ญาติโยม <c oughs> ผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย นานได้มาพูดสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อยู่ปา่าโซกโตนเป็นปีม้งกลับมาคนนี้ก็เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างโดยเฉพาะถนนที่เป็นคอนกรีตแต่เดิมไม่ได้มีแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงปอื่นๆ แต่นี่ก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าทุกอย่างไม่สามารถที่จะคงที่อยู่ได้ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนะม่กระทั่งร่างกายของเราจิตใจของเราก็เหมือนกันนะก็ไม่ได้อยู่คงที่ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะจากเด็กก็เป็น หนุ่มเป็นสาวเป็นคนเท่าคนแก่แล้วก็สุดท้ายก็เจ็บป่วยตายไปนะจิตใจก็ทานองเดียวกันนะจิตใจของเราก็ไม่ได้คงที่อะไรนะบางทีก็เป็นสุขบางทีก็เป็นทุกข์นะบางทีก็รู้สึกมีอารมณ์ต่างๆเช่นมีอารมณ์รักนะมีอารมณ์เกลียดอารมณ์ชอบไม่ชอบ นะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะไม่มีอะไรอยู่คงที่สักอย่างเพราะนั้นมันจะตรงกับคำที่พระพุทธพระสันมสัสพุดต่เจ้าท่านได้ทรงแสดงไว้ว่าสเปสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะนะแล้วก็สังขารทั้งหลายเป็นทุบแล้วก็สเพธมานัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งเนี่ยมันก็จะง่ายในการปฏิบัติธรรมนะมันง่ายตรงไหนง่ายตรงที่เราสามารถเห็นความจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่เรายุ่งยากในการปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวความยุ่งยากเนี่ยมันก็คือเรื่องของหนึ่งความสงสัยสองอาจจะเป็นความอยาก ความสงสัยคือสงสัยไปเรื่อยอว่าธรรมะมันเป็นอย่างไรนะปฏิบัติแล้วมันจะไปถึงไหนมันยังไงหรือว่ามันจะไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีความอยากตัวความอยากก็เป็นปัญหาอย่างมากความอยากเกิดจากที่เราไม่เข้าใจนี่แหละเราไม่เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติเราก็อยากอยาก อยากยังไงก็คืออยากอยากที่เราจะจะเป็นอนะ่ะออยากได้นู่นอยากได้นี่นะแล้วเมื่อมันไม่เมื่อมันไม่ได้เนี่ยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือว่ามันเป็นทุกข์กับใจเราเองนั่นแหละะอันนี้ก็คือมันเป็นทุกข์เพราะเราอยากแต่ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติทำอย่างง่ายๆเนี่ยเพียงแค่นั่งดูนั่งรู้เห็นตามความเป็นจริงของกายของใจเรานี่แหละ กายมันเป็นยังไงอย่างที่บอกอะกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็นั่งรู้ดูเฉยๆใช่ไหมมันร้อนมันหนาวมันเย็นนั่งดูเหตุการณ์เหมือนดูหนังดูละครอ่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยบอกอนะส่วนจิตใจก็เหมือนกั น, นมันก็แสดงอารมณ์ให้เราเห็นอยู่เป็นประจำนะอย่างที่บอกคืออารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์ยินดีอารมณ์พอใจ ความง่วงอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้มันนั่งรู้นั่งรู้สนุกอยู่ไหมนะแต่ถ้าเราอยากเนี่ยมันบังหมดเลยอ่ะมันบังทําให้เราไม่เห็นความจริงอนะทีนี้ถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ยมันก็ยังง่ายง่ายง่ายจริงๆนะเราก็เห็นอยู่ที่นี่คุณบาอาจารย์ท่านก็พูดท่านก็สอนท่านก็บอกกันทุกวันเนาะเราก็ว่าเออเนาะเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ย แต่ก็ยังว่าอีกแหละครับเพราะว่าเรื่องของระดับปัญญาเนาะคนเรามันมีความแตกต่างกันบางคนฟังประโยคสั้นๆไม่เข้าใจต้องข ย, ยขยายความแล้วก็พอขยายความแล้วก็ําให้เข้าใจยิ่งขึ้นแต่นี้ผู้ที่มีปัญญามากแค่ฟังประโยคสองประโยกก็เดินได้เลยตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำ มันก็ง่ายทีนี้พอปัญญาเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละแต่ละช่วงเนี่ยเราก็จะสังเกตด้วยจิตใจเราเองว่ามันจะมีความเบิกบานความชื่นบานมีการเบากายเบาใจเนาะอันนี้ช่วงที่ปัญญามันเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยตรงนั้นมันก็หมดละรู้คือมันก็มันเข้าใจไปแล้วรู้ไปแล้วทําให้เราก็มีความเพียรในเรื่องของ การที่จะภาวนาในขั้นสูงต่อไปนะออัตมาขอเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งที่มันเป็นความโง่ชนิดหนึ่งอ่ะที่ที่อัตมาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองมันโง่อยู่หรือว่ามันหลงอยู่อันนี้นนเผื่อเผื่อโยมได้ฟังแล้วอาจจะเทีบยบเคียงกับตัวเองอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้เนาะก็เมื่อช่วงเก็บปฏิบัติเข้มเมือ่อสองปีที่แล้วอะ่ะสองปีที่แล้ว ช่วงนั้นมันก็อยู่ท้ายๆของการปฏิบัติเข้มคือเหลือไม่กี่วันแล้วจะครบสี่สิบวันอก็เดินจงกรมอยู่อยู่อ่าอยู่ที่อ่าบริเวณกุฎนั่นแหละคือเดินตั้งแต่ก่อนมันมืดอ่ะเนาะเดินสมมติว่าห้าโมงเย็นเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมืดค่ำามืดค่ำค่าก็มืดเลยมืดค่ำๆจะ มองด้วยตาไม่ค่อยเห็นแล้วทีนี้ช่วงแรกที่เดินก็เดินปกติอย่างที่พวกเราปฏิบัติแหละก็คือเดินไปเดินมาเดินไปเดอนมารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้ไปเรื่อยระหว่างเดินเนี่ยสิ่งที่อาจจะมาพบ ก, ก็คือว่าส่วนมากมันเป็นความคิดความคิดนี่เยอะมากเลยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เยอะแยะแต่ว่ามันก็ไม่ทิ้งของการรู้กายนะเพราะว่ากายเนี่ยมันเป็นฐานหลักที่เรา ได้ฝึกมาในเบื้องต้นแล้วกายก็เดินไปใจก็คิดไปเราก็จะเห็นว่าอ๋อกายเคลื่อนไหวมันก็อย่างหนึ่งเนาะมันเคลื่อนไปส่วนใจคิดนึกมันก็อย่างหนึ่งอ่ามันคนละอย่างกันนะเพราะนั้นเราจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนก็คือว่ากายกับใจเนี่ยมันคนละส่วนกันแล้วหละมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะกายก็ทำหน้าที่เคลื่อนไหวใจก็ทำหน้าที่คิดนึกไป สติก็ทํำหน้าที่ระลึกรู้ไปะเห็นไหมสามส่วนแล้วมีกายมีมีใจมีจิตแล้วก็สติสัมปชัญญะที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นเห็นทั้งกายเคลื่อนไหวเห็นทั้งใจคิดนึกมันก็เห็นอยู่อย่างนี้แล้วอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดมากมายอ่ะนะในกายมันก็มีความเมื่อยความตึงความเจ็บความเดินช่วงระหว่างกลางวันเอความรู้สึก ทางร่างกายมันก็อย่างหนึ่งขนาด จ, จะรู้สึกอุ่นๆขึ้นอุ่นพอมันตกมืดค่ําำอ่ามันรู้สึกเย็นๆสมัมผัสรู้ได้แล้วว่ามีความเย็นอันนี้ในกายมันก็มีเพราะนั้นในกายเนี่ยมันก็จะมีอาการหลายๆอย่างใช่ไหมมีความเจ็บความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็นความเย็นความหนาวอ่าแล้วก็ในใจเนี่ยอารมณ์นึกคิดก็เยอะ นึกคิดอย่างนี้ก็จะมีความรู้สึกทางใจอย่างนี้เช่นคิดนึกอย่างนี้ใจก็เป็นสุขคิดนึกอย่างนี้ใจก็วิตกกังวลนะมันก็แล้วแต่เรื่องที่จะคิดนึกเพราะฉะนั้นพอมีสติสัมปชัญญะเนี่ยมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์มากมายทั้งในกายก็ดีในใจก็ดีมันกระจายตัวออกมานะมันกระจายตัวให้เห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะมันก็ทําหน้าที่ของมันนะแล้วอาการอย่างเนี้ย มันคล้ายๆว่ามันลอยๆอ่ะมันไม่ได้ติดต่อกับอะไรเลยมันไม่ได้ติดกับอะไรเลยนะอย่างความความคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดกับกายใช่ไหมเอออารมณ์ต่างๆมันก็ไม่ได้ติดกับกายนะแล้วก็มันไม่ได้ติดกับคือมันไม่สามารถครอบงอตัวสติสัมปชัญญะได้ด้วยอ่าตัวสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นแต่ผู้เห็นผู้ดูอยู่ะทีนี้ ก็โดนไปเรื่อยๆสิ่งที่อจะมาไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนก็คือว่าจากที่ก่อนที่มันมืดเนี่ยความรู้สึกว่าหูเราก็ยังได้ยินอยู่นะอะไรกระทบทางหูมันก็มีการได้ยินอะไรกระทบทางตามันก็มีการเห็นใช่ไหม ถ้ามีกลิ่นออมันก็รู้กลิ่นมีรถมันก็รู้รถมีอะไรกระทบกายก็รู้ที่กายมีอะไรกระทบที่ใจก็รู้ที่ใจอันนี้เป็นความรู้สึกก่อนที่มันจะมืดทีนี้เมื่อเดินไปแล้วมันมืด่ํำไปแล้วเนี่ยอารมณ์อาการต่างๆอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะหมายความว่ามืดแล้วตาก็ยังมองเห็นอยู่นะมืดแล้วหูก็ยังได้ยินอยู่มืดแล้วการกระทบสัมผัสทางกายก็รับรู้ได้อยู่ นะเมื่อแล้วความรู้สึกนึกคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆก็ยังรู้ได้อยู่ไม่ได้หายไปไหนเมื่อมันมีอาการมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเกิดการผุดเป็นความรู้ชนิดหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยจิตเนี่ยมันสามารถรับรู้อารมณ์ได้ตลอดเวลานะไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนหมายความว่าจะมืดหรือไม่มืดก็ตามการรับรู้เนี่ยการรับรู้ของ ของจิตเนี่ยนะมันสามารถแจมแจ้งอยู่ตลอดเวลานะเช่นมืดแล้วเนี่ยถามว่ามองเห็นได้ไหมตามองเห็นได้ไหมก็ยังมองเห็นอยู่มองเห็นอะไรถ้าเป็นภาษาพูดก็คือมองเห็นความมืดชัดมากเลยมองเห็นความมืดนะเพราะฉะนั้นความสว่างก็ดีความมืดก็ดีอันนั้นเป็นสิ่งถูกเห็นต่างอากแต่ว่าการเห็นเนี่ยสภาพเห็นเนี่ยมันไม่ได้มืดตามไปด้วยนะ เรื่องหูก็เหมือนกันตอนเดินกลางวันมันก็ชัดอยู่กลางคืนแล้วมีเสียงอะไรกระทบมันก็ได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นถึงมืดก็ดีถึงสว่างก็ดีสภาพการได้ยินเนี่ยก็ยังอยู่สภาพอย่างเดิมก็คือได้ยินอย่างชัดแจ๋วอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้เกี่ยวกับความมืดหรือความสว่างนะก็เลยเข้าใจว่าจิตที่ทาหน้าที่รู้อารมณ์เนี่ยมันไม่ได้อ่อ เขาเรียกว่ามันสามารถรู้ได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะกายสัมผัสก็เหมือนกันกายสัมผัสก็คือช่วงที่ไม่มืดเนี่ยลมพัดก็ดียุงกัดก็ดีอะไรกระทบที่กายเนี่ยความร้อนความตึงความเย็นความปวดความเมื่อนยนกับตอนที่มืดแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้การรู้สภาพรู้ทางกายเนี่ยมันก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้เกี่ยวกับความมืดหรือความสว่างเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตมันก็สามารถรับรู้ได้นะตลอดตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นความมืดหรือความสว่างก็ไม่ได้เกี่ยวที่ทำให้มีปัญหาในการรับรู้ทางกายนะท้งใจก็อันเดียวกันก็คือไม่ว่าจะมืดหรือสว่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะจิตนะ ก็สามารถรับรู้อารมณ์ต่างๆได้อย่างบริบูรณ์ mm hmm. ก็เลยเข้าใจหรือเรื่องกลิ่นเรื่องสัมผัสทางลิ้นจริงๆก็คงมีลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะมืดหรือสว่าง mm hmm. เขาก็สาจิตก็สามารถรับรู้ได้เหมือนกันมันก็เลยเกิดปัญญาขึ้นว่าโอ้จิตนี้มันแจ้งจริงๆนะมันแจ้งจริงๆนะไม่ว่าอะไรกระทบในเวลาไหนมันก็สามารถรับรู้ได้ mm hmm. อย่างแล้วมันก็ยกตัวอย่างแล้วบางทีมันก็เป็นบางทีมันก็เลยไปเป็นจินตยานไปแล้วมันเลยเถิดไปแล้วแต่เราก็เข้าใจมันก็ปล่อยมั น, ก, ยยมนก็คือเหมือนกับว่าบางบางทีมันก็ยกตัวอย่างว่านี่ยนะถ้าเราถึงว่าเมื่อสนิทนะถึงว่าเมื่อสนิทเนี่ยถึงเราจะอุดหูปิดตานะไม่ให้รับรู้ทางกายสัมผัสไม่ให้รับรู้ทางลิ้นไม่ให้รับรู้ทางจมูกแต่จิตใจที่เป็นม โ, โนเนี่ยมันก็ยังรับรู้อารมณ์ทางใจได้อยู่ นะเพราะนั้นจิตใจทางมโนเนี่ยมันรู้แจ้งรู้แจ้งแทงตลอดจริงๆว่าอะไรเกิดขึ้นทางใจเนี่ยไม่สามารถอะไรที่ปิดกั้นมันได้นะก็เลยเข้าใจอย่างนี้ก็เลยว่าโอ้เมื่อก่อนเราเดินจงกรมเ น, นมัวแต่ดูแต่เท้าดูเท้าเคลื่อนไหวใจรู้เท้าเคลื่อนไหวใจรู้แต่นี่มันเกิดความรู้สึกก็ลึกรู้อย่างกว้างขวางขึ้นมาก็คือว่า ทำไมเรางออยู่ได้มวแต่กําหนดรู้เท้ากายเคลื่อนไหวอย่างดีไอ้หูตาจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยคิดถึงมันเลยนะพอเข้าใจอย่างนี้อาตมารู้สึกว่ามันเบานะเบากายเบาจิตแล้วก็ง่ายในการปฏิบัติธรรมว่าเอ้ยจากนี้ไปรู้ทางตา ก, ก็เป็นความรู้สึกตัวได้รู้ทางได้ยินทางหูก็เป็นความรู้สึกตัวได้นะรู้ทางลิ้นทางจมูกก็เป็นความรู้สึกตัวได้ ไม่ใช่ความรู้สึกตัวแค่กายกับใจมันมีมากก็คืออายตนะทั้งหมดนี่แหละเป็นความรู้สึกตัวได้อย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราก็มีหลงกันบ่อยๆใช่ไหมอย่างเช่นเราเดินเดินอยู่เนี่ยบางทีมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมองไม่เห็นนะเราผ่านตาอยู่แล้วก็มองไม่เห็นจะชนอยู่แล้วก็มองไม่เห็นแล้วพออีกแป๊บหนึ่งเกิดการระลึกขึ้นได้ว่าเออมันมีบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ข้างหน้าเรา นี่ก็เป็นความรู้สึกได้ทางตาเหมือนกันถ้าเราไม่รู้สึกได้ทางตาเนี่ยตาเราก็จะท่ามัวไปตลอดแล้วเราก็จะไม่เห็นอะไรใช่ไการได้ยินก็เหมือนกันบางทีเรานั่งอยู่นั่งใจลอยคิดอะไรเพลินๆอยู่นะมีเสียงดังก็ดีมีคนเรียกก็ดีไม่ได้ยินทางหูอันนี้ก็เป็นความหลงทางหูชนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามีสติที่มันค่องแค่ว่องไวรวดเร็วเนี่ยอะไรกระทบหูปัก มันก็รับรู้ได้ทันทีแล้วก็เข้าใจได้ทันทีนะอาจารมาก็เห็นอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเพ่งอยู่กับอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยทำให้เราไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่มันเป็นการจมอยู่ในสภาวะธรรมที่เรากำลังเพ่งอยู่นะอย่างเช่นเรายกมืออย่างเงี้ยถ้าเราเพ่งมือเนี่ยยกนา น, านๆเพ่งมือบางทีหูก็ไม่ได้ยินนะอารมณ์ทางใจที่เป็นอารมณ์ทื่อๆอารมณ์ที่มันแบบ จมจมอยู่คือคือมันหนักทางใจแต่ก็มองไม่เห็นเพราะหมวแต่ เ, เพ่งมืออยู่แต่ถ้าเราถอนจากการเพ่งเนี่ยยกให้สบายสบายเบาๆ น, นะทำให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมมากกว่าแล้วเราก็จะมีสติที่มันคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวนะรู้ทันทางหูตาจมูกลิ้นกายใจนะอย่างการเดินก็เหมือนกันอย่างสังเกตถ้าเราเดินช้าๆเดินไปอะนะมันจะจมอยู่ในอารมณ์สมถะ นะไม่คล่องแค่วงวายทางหูทางตาทางกายทางใจอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะสอนว่าหมายถึงว่าที่จะบอกกันว่าให้ใครทำยังไงนอกจากเป็นประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติเองลองสังเกตเราเองว่ามันเป็นยังไงนะเป็นเรื่องที่สอนไม่ได้บอกกันไม่ได้ต้องลองต้องไปทำจริงๆแล้วก็สังเกตเราเองจริงๆว่าจิเราจมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือไม่นะ ถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันจะพัฒนาเองว่านะอ๋อการจมไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหลุดพ้นออกมาจากอารมณ์นั้นได้จมเมื่อไหร่มันก็รู้เท่าทันนะจมเมื่อไหร่มันก็รู้เท่าทันอันเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นยิ่งเราปฏิบัติมากทําให้มากเนี่ยประสบการณ์มันก็จะมากตามนะพอประสบการณ์ที่มากตามเนี่ยมันทําให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะ ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นประสบการณ์เหมือนกันก็มาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าคนปฏิบัติส่วนใหญ่นะอันนี้เอามาเล่ากันฟังอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปสรีวาสที่พักในจังหวัดสระบุรีจริงๆทีนี้ไปสามไปมาสามที่นะที่ผ่านมาบางทีเราก็สังเกตคนอื่นเข้าบ้างว่า เ, เวลาการเข้าปฏิวัต อ, อเวลามีการปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าปฏิบัติกันยังไงนะเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก็คือปิดตาแล้วก็นั่งหลับปิดตาจริงๆพอบอกอ้าวเข้าที่ปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มละปิดตาละพอปิดตาเสร็จแต่ถ้านั่งดีนะนั่งคัดสมาดอย่างดีนั่งปิดตาแต่พอแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเริ่มน้อมเอียงโน้ม ขอตกแล้วขอพับไปแล้วนะตรงนี้แหละมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเลยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีสติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่นะแต่ถ้าเป็นผู้หลับเมื่อไหร่เนี่ยหมดสิทธิ์กันเลยหมดสิทธิ์เรื่องการปฏิบัติธรรมนะทําไมจึงเรียกว่าหมดสิทธิการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเมื่อจิตไม่ตื่นเนี่ยจิตนี่แหละที่เป็นเครื่องเอ่อเป็นเป็นตัวรู้รู้สึกต่อสภาวะธรรม แล้วก็สติระลุต่ อ, อสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตหลับจิตก็หมดสิทธิ์ที่จะไปรู้สภาวะธรรมเมื่อรู้สภาวะธรรมมันก็ก็คือหลับเลยปฏิบัติไม่ได้นะคือจิตมันไม่รู้อะไรหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจิตไม่รู้อะไรก็คือเป็นคนหลับเมื่อเป็นคนหลับก็คือไม่ใช่ผู้ตื่นถูกไหม แต่ถามว่ามีความสุขไหมคนที่หลับเป็นธรรมดาผู้ที่นั่งหลับตอนหลับไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นความสุขเพราะไม่รู้อะไรแต่พอรู้สึกตื่นขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้มันหลับโอ้สบายจังเลยไม่คิดไม่นึกอะไรอย่างนี้มันก็เป็นก็ใช้ไม่ได้แต่คนก็ชอบกันเพราะการไม่รับรู้อะไรมันนําความสุขมาให้ถูกไหม นำความสุขมาให้แต่ว่ามันเป็นความสุขจากการไม่รับรู้อะไรมันไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอย่างเราอย่างเช้าเช้าอย่างเนี้ยอาจจะสังเกตตัวเองก็ได้ถ้าเราง่วงเนี่ยสภาวะการตื่นเกือบไม่มีเลยพูดก็ไม่ค่อยได้ยินหมายถึงว่าการรับฟังนะไม่ค่อยได้ยิน การที่จะรับรู้ทางตาทางจมูกทางกายทางใจหมดมันก็ไม่ไม่ค่อยรับรู้หมดมันเบื่อที่จะรู้แล้วก็พาหลับตรงนี้ต้องแก้ต้องแก้ไขนะต้องใช้อุบายในการที่จะทำให้เป็นผู้ตื่นขึ้นมานะอาจจะอุบายก็มีเยอะแยนะเนาะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่เอาตามนั้นเนี่ยจริงๆอุบายที่เราทำเล่นเล่นของเราบางครั้งบางคราวมันก็ยังใช้ได้ อยาการมอง ไ, ไกลๆการหันท้ายสะบัดหัวอะไรหน่อยเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่ทีนี้ปัญหาที่เห็นตามสํานักที่ไปปริวาสเนี่ยทําไมคนจึงหลับเพราะว่านิ่งเกินไปติดรูปแบบพอนิ่งและปิดตานิ่งเนี่ยการขยับขยื่นเนี่ยทำให้จิตตื่นเนี่ยมันไม่มีเมื่อไม่ไม่ปลุกให้จิตตื่นมันก็ทําให้จิตหลับ นะแต่ทีนี้อย่างอุบายของเราที่ทางหลวงพ่อเทียนท่านมีอุบายให้เราทําเนี่ยการเคลื่อนไหวก็ดีการเดินก็ดีเนี่ยตรงนี้เป็นอุบายทําให้เราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะการเคลื่อนไหวนี่แหละมันทําให้เราตื่นนะเมื่อเราตื่นเราก็สามารถมีสติที่จะระลึกรู้อ่ารระลึกู้ถึงสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏขึ้นในกายในใจของเราได้ แล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมคืออาการต่างๆที่เกิดในตัวเราเนี่ยมากมายแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะสภาพธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่แหละถ้ามันมารวมกันที่เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์คือเป็นชีวิตขึ้นมาแต่โดยสภาวะธรรมแล้วไม่ได้เป็นชีวิตไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์เป็นแต่สภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปนะมองเห็นได้ชัดเลย อย่างโยมดูความเจ็บความปวดนี่ดูดีดนี่ที่หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าดูมันนะอย่าเข้าไปเป็ น, นยโยมดูความเส็บความปวดดูดลมันไม่ได้มีหูมีตามีจมูกที่เป็นลักษณะเป็นคนเลยใช่ไหมไม่ได้ความเจ็บความปวดไม่ได้มีหูมีตามีแค่อาการเฉยเฉยที่มันปรากฏขึ้นนะโดยที่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันมาทีหลังแล้วมันก็ไปก่อนนะ มาที่หลังไปก่อนหมายความว่ายังไงเช่นเราเริ่มต้นจากเรานั่งให้สบายก่อนใช่ไมเรานั่งสบายเราก็ไม่เห็นว่ามันมีความเจ็บตรงไหนแต่พอเรานั่งเฉยๆอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวความเจ็บมันก็มาใช่ไหมความเจ็บก็มาแล้วก็ถ้านั่งดูต่อไปความเจ็บมันก็ไปเพราะฉะนั้นที่มันมาเองไปเองนี่แหละมันไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นสัตว์แต่เป็นธรรมชาติเป็น สภาวะธรรมที่มันต้องมีตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ไม่ได้มีใครเป็นผู้สร้างไม่ได้มีใครเป็นผู้ทำลายแต่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยนะถ้าเราจะดูเนี่ยอาการดูดมันก็เหมือนกันนะมันมาทีหลังแล้วมันก็ไปก่อนมันมาทีหลังมันก็ไปก่อนเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็สามารถเข้าใจเรื่องของความไม่มีตัวตนได้นะ ที่เข้าใจได้เพราะเราไปเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่ามันมาแล้วก็ไปแล้วก็สั่งไม่ได้จัดการมันไม่ได้นะพอตรงนี้แหละเป็นตัวพัฒนาที่จะให้เกิดปัญญาที่จะละเห็นความเห็นผิดเมื่อก่อนเห็นผิดว่าความเจ็บความปวดความป่วยความแก่ความอะไรเนี่ยเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกมันก็ทําให้เข้าใจขึ้นมาว่าที่แท้แล้วไม่มีใครเจ็บไม่มีใครแก่ แล้วก็รวมถึงไม่มีใครตายมีแค่ธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตตามปัจจัยของมันนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้จิตมันก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ <c oughs> เมื่อจิตปล่อยวางความทุกข์ที่เกิดกับจิตก็ไม่มีนะเพราะเกิดปัญญาเพราะนั้นปัญญานี่แหละที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นเราก็ทุกคนก็ให้มีความเพียรกันนะ ทายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรันตนตรัยนะจงจะเรียกว่าบรรดาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าทำให้เป็นที่พึ่งของพวกเราทุกคนแล้วก็เมื่อเราเข้าใจในพระรันตนตรัยเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วก็ทาให้เราสามารถที่จะพัฒนาไป จนทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ละความเห็นผิดไปได้แล้วก็ขอให้เรามีความเข้าใจเกิดปัญญาเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งโดยโดยโดยเร็วนะแล้วก็อืม ออกกลุงแค่นี้เพราะว่าพูดไม่ถูกและตอนท้ายนะก็ให้เจริญให้ดวงตาให้โยมญาติโยมมีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้ทุกคนเธอ